เวลาจะสอนเน้นเนี่ย <c oughs> ให้มันเห็นตื่นซะก่อนเสร็จแล้วที่เราต้องการอยากจะพูดเนี่ยเราก็ไล่ไปให้รอบจนกระทั่งเกิดความารู้สึกว่าเออนี่พร้อมที่จะรับแล้วถึงค่อยอธิบายอะไรต่ออะไรให้อย่างที่หลวงพ่อสร้างพระมหาเจดีย์เนี่ยเนี่ย ที่เรานั่งอยู่เวลานี้นั่งอยู่ใต้ฐานพระมหาเจดีย์มันก็น่าจะรู้เรื่องพระมหาเจดีย์ไว้บ้างเผื่อว่าข้อสอบมันจะออก <c oughs> เพราะว่าพระมหาเจดีย์นี่ชื่อเต็มว่าพร ah oh ะวิริยมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ินขึ้นมาเองพระ <c oughs> คือว่าเอเป็นพระก็คืออย่างหลวงพ่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพระนะพระวิริยะก็คือชื่อของหลวงพ่อเองก็คือวิริยังที่ถูกแต่งเอนามมาตั้งแต่เดิมก็เลยเอาสระอังออกแล้วให้เหลือสระอะเรียกว่าวิริยะอย่างเนี้ย <c oughs> มงคลก็คือวัดธรรมมงคล แปลว่ามงคล น, นี้หมายถึงความเป็นได้ประโยชน์ได้รับสิ่งที่สมความปรารถนาเรียกว่ามงคลอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วทีนี้พระวิทยมงคลทีนี้มหาแปลว่าใหญ่เจดี JD ก็คือเจดีนี่มหาเจดีเรียกว่าใหญ่ในตอนนั้นน่ะคงไม่มีใครใหญ่ที่สุดเท่ากันกันกบพระ วิริยะมงคลมหาเจดีนี้เพราะว่าก่อนแต่ที่จะสร้างพระมหาเจดีนี้ไปรับพระบรมธาตุจากพระสังฆราชที่ประเทศบางคลาเทศคือในขณะที่ไปรับนั่นนะ่ะท่านมีอยู่เก้าองค์และท่านจะให้หลวงพ่อนี่องเดียวหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าให้องเดียวก็จะไปสร้างเจดีไว้บูชาเล็ก แต่ถ้าหากว่าให้ห้าองค์นะจะทำให้สูงที่สุดในประเทศไทยท่านกลับไปประชุมกันเสร็จแล้วก็อนุมัติให้ห้าองค์ความได้พระบรมาธาตุมาห้าองค์แล้วทีนี้ก็มาเป็นสลักปักใจแล้วว่าจาเป็นต้องทำให้สูงสุดในประเทศไทย ก็ไปวัดเจดีย์เข้ามาหมดจะเป็นพระถมเจดีย์จะเป็นนครศรีธรรมราชจะเป็นภูเขาทองจะเป็นพระรางหรือว่าจะเป็นพระธาตุพนมไปวัดมาหมดพอวัดเสร็จแล้วก็มาสร้างที่นี่สูงที่สุดสูงเก้าสิบสี่เมตรเจ็ดสิบแปดเซนหมายความว่าสูงกว่าพระประถมเจดีย์เก้าเมตร พระปะถมเจดีย์นั่นจะแปดสิบห้าเมตรเมื <c oughs> ม่อเวลาที่สร้างเนี่ยหลวงพ่อก็มีเงินอยู่หกหมืนบาทแต่ว่าจะสร้างพระเจดีย์เจ็ดสิบห้าล้านเกิด <c oughs> มาคิดว่าเราจะเอาดีหรือไม่เอาดีเนี่ยในที่สุดกลางคืนมาเนี่ยพระหลวงปู่มั่นมา หาหลวงพ่อตอนตีสามหมายความว่าจะเป็นความฝันเหมือนกับความฝันแล้วบอกว่าโ อ, อ, อ้หลวงปู่มาเฮ้ยผมนึกว่าหลวงปู่ตายแล้วเฮ้ยใครว่าเราตายแกจะสร้างพระเจดีย์ใช่ไหมบอกว่าใช่สร้างไปเลยแล้วเราจะช่วยแล้วจะกลับแม่ทันกลับท่านก็หายไปทางหลังวัด อันนี้คือนิมิตรแรกที่สร้างพระมหาเจดีย์ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นนะสร้างพระมหาเจดีย์นี่ไม่รวยแล้วก็ไม่จนพอเวลาจะหมดเงินก็มีคนเอามาให้พอเวลามีเงินเยอะจ่ายเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วเดี๋ยวก็มีคนเอามาให้ไม่เกินแล้วก็ไม่ขาดอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่มาวันหนึ่ง วิศวกรจะมาเอาเงินห้าหมืนเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้เงินห้าหมืนให้วิศวกรพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วมันก็รอดเราแย่แล้วอ่าวิศวกรเ่บอกว่าต้องมาพรุ่งนี้ไม่ได้ละผมฟ้องหลวงพ่อแน่เท่นะัอ้าวเอาถึงขั้นนั้นเหรอเราก็พอตอนเย็นหลวงพ่อก็ออกเดินไปเดินไป เที่ยวขอยืมเงินเขาไปบ้านนั้นก็ไม่มีบ้านนี้ก็ไม่มีเนะ่ากลัวโดนมันเอาแน่แล้วพวกนี้ <c oughs> ขอเยืมอ่ะไม่ใช่ว่าขอจริงๆรงล้วขอยืมอย่างนั้นทีนี้เขาก็รู้แล้วว่าขอยืมอ่ะไม่รู้ปีไหนจะให้เขา <c oughs> เขาก็เลยไม่ให้ไปบ้านไหนก็ไม่ได้กลับมาขอตกพอมาถึง มีคนคนหนึ่งเขามานั่งคอยหลวงพ่ออยู่เขาบอกว่าเขาเอาเงินมาถวายนี่นะอีกห้านาทีถ้ามาไม่ถึงละผมกลับแล้วท่านโอ้โหเราเดินไปเกือบตายคนนี้มัน <c oughs> นี่มันนั่งคอยให้เงินอยู่เนี่ยอเสร็จ แ, แล้วก็เอาเงินห้าหมืนเนี่ยให้ถวายพอถวายเสร็จเนี้ยเขียนชื่อหน่อยไม่ต้องว่างั้นถามที่อยู่หน่อยไม่ต้องอ่า บอาว่าคุณอยู่ไหนไม่ต้องขออเขาองัน้นเสร็จแล้วเดินออกประตูไปแล้วเราก็ไม่เคยเห็นหน้าคนนั้นอีกแ เ, เราให้เงินนีป่ปลอมจริงเนาะแ้อ <c oughs> เอ้าโทรศัพท์บอกวิศวกรแต่เช้าแกเมาเงินได้แล้วนะพอมาถึงก็ให้เงินมันไปห้าหมื่นมันก็เอาไปไม่เห็นมีการโต้อตอบ เงินก็ยังเป็นเงินอยู่ตามเดิมเนี่ยคือ <c oughs> ว่างานนี้ย่อยๆเขาเรียกว่าเกรดย่อยของพระมหาเจดีย์ <c oughs> เอาไว้แล้วค่อยฟังใหม่ <c oughs> วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสี่หนึ่งจะอธิบายถึงข้อที่หกเกี่ยวกับอุบาย <c oughs> การดําเนินจิตในขั้นต้นเนี่ยจะต้องทราบอย่างหนึ่งว่าการดําเนินจิตในขั้นต้นก็เหมือนกันกับการเลี้ยงเด็กมีความจําเป็นที่จะต้องมีการประครับประครองอย่างดีที่สุดนอกจากการประครับประครองแล้วก็ยังต้องมีอุบายวิธีที่จะทําให้เด็กมีความเป็นอยู่ ที่มีความสมบูรณ์อีกด้วยเพราะว่าจิตที่จะดำเนินไปเป็นการต่อเนื่องเป็นระยะยาวในระหว่างนี้อาจจะมีการลาบ้างหรืออาจจะมีจิตตกบ้างเนื่องจากความเป็นอยู่ของชีวิตจะต้องมีการกระทบกระเทือนหรือกระทบกระั่ง การกระทบกระเทือนและกระทบกระทั ren, k k ่งอาจจะแรงรุนแรงและอาจจะไม่รุนแรงเหตุการณ์ต่างๆที ren, ่จะเดินเข้ามาหาวิถีชีวิตนั้นมีมากหลายการกระทบกระเทือนเหล่านี้จะต้องเข้าสู่ใจของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเมื่อจิตใจของเรายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเช่นนี้จะต้องถูกกระทบแน่นอน สิ่งเหล่านี้เองได้นำมาทำให้จิตใจเกิดความท้อแท้ตลอดถึงการทำสมาธิไม่เกิดสมความมุ่งหวังล้วนแต่ทำให้เกิดความเศร้าใจทั้งสิ้นประกอบด้วยทิฏฐิมานะความในใจก่อจุดดำให้เกิดก็ยิ่งทำให้มีความถือตัวด้วยการไม่ยอมลดราวาเป็นต้น ด้วยเหตุหลายเหตุเหล่านี้ทำเอานักสมาธิต้องถอนตัวออกโดยการพ่ายแพ้แก่ใจของตนเองอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุดังกล่าวกุสโลบายหรือเรียกว่ากนูบายที่จะนำมาสอนตัวของเรานั้นจึงได้เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆดังนั้นจึงต้องข่มใจเป็นอันดับแรกด้วยขันติ คือความอดทนอดทนมีอดทนอะไรบ้างก็อดทนต่อความลำบากอดทนต่อความรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจเพราะว่าการที่เราจะดาเนินการสมาธิให้เป็นการต่อเนื่องนั้นไม่ง่ายการมาทุกวันทุกวันนั้นต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาถ้าหากว่ามีอะไร ที่ทำให้เราจิตตกหรือว่าเกิดการาท้อแท้ขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะอดทนอันนี้ได้ทีนี้อดทนต่อความตรากตรามนั้นก็หมายความว่าไม่ใช่เราทำวันเดียวก็จะต้องทำอีกหลายวันอดทนต่อความเจ็บใจนั้นก็ย่อมจะต้องมีการกระทบกระทั่งในครอบครัวบ้างในลูกเต้าบ้าง ตัวของเราเองบ้างคนอื่นบ้างกูส <c oughs> โลบายที่ว่าคำพูดเหมือนกันกับลมพัดหายไปถ้าหากว่าเขาจะว่าเราอะไรอะไรต่างๆนี่เราก็ถือว่าคำพูดนั้นเหมือนกันกับลมเราก็ไม่เอาใจใส่ก็เรานักสมาธิจะไปยุ่งกับคานินทาทำไม หรือใช้คำว่านินทากาเลเหมือนเทน้าไม่ชอบทำเหมือนเอามีดมากรีดหินนับประษาอะไรมนุษย์ที่เดินดินแม่พุทธนาคินยังต้องถูกนินทาหรือเมื่อทาสมาธิเหมือนไม่ได้อะไรแต่ทาสมาธิเราก็ได้พลังใจทุกครั้งนี่ก็เป็นอุบายที่จะสอนตัวเรา หรือเกิดอาการเจ็บขัดเราก็นึกว่าตัวเรานี้มันไม่ใช่ตัวตนหากว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจของนักสมาธิก็นึกว่าเรามีครูอยู่แล้วหรือว่าทำสมาธิมีเยอะแยะหลายวิธีถ้าจะเสียการเสียงานที่เราทําไปแล้วละกำลังเราก็ใช้อุบายว่าอันนี้เป็นอันว่าถูกแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าอย่างหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์นั้นย่อมจะมีประสบการณ์เรื่องนี้มากด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตที่ท้าทายในจิตใจให้ค่อยๆแขวรวมความแล้วอุบายทั้งหลายนั้นคือการแก้ไขในส่วนที่เรากำลังจะหลงผิด ที่เรากําลังจะท้อแท้ที่เรากําลังจะเกิดความเศร้าใจความหลงผิดความท้อแท้ความเศร้าใจทั้งสามประการนี้เป็นต้นเหตุให้การทำสมาธิไม่สามารถจะก้าวหน้าต่อไปอย่างราบรื่นความมีการหลงผิดนั้นใครจะเป็นผู้ให้อุบายก็จำเป็นต้องมีครูมีอาจารย์ แต่ผู้มีพลังกิตก็สามารถใช้อุบายของตนแก้ไขได้อุบายวิธีการที่จะเอาชนะต่ออันตรายของสมาธินั่นเองกล่าวกันโดยตรงก็คือตนเองตักเตือนตนเองเพราะใจของเรานั้นเป็นภัยต่อตัวเราจึงเอาใจที่พร้อมด้วยพลังแก้ไขเราแก้ไขตัวเราเองในทางที่ถูกต้อง ทีนี้เมื่อมาถึงในกรณีที่ได้เขียนเอาไวน้นี้ก็คิดว่านักศึกษาก็คงจะได้อ่านอ่านแล้วก็ทบทวนทบทวนไปในกรณีของการที่เรียกว่าอุบายเหล่านี้นั้นทำไมจึงจำเป็นหรืออย่างไรที่จะต้องเอามาเป็นหลักสูตรของครูสมาธิ เนื่องจากว่าเมื่อเราอาจจะต้องไปเป็นครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันกันกบผู้นำจาเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่จะแก้ไขลูกศิษย์ให้เดินไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเอาข้อที่หกนี้มาเป็นหลักสูตรอันหนึง่ง เพราะอะไรเพราะว่าวิถีจิตนั้นมีมากมายที่จะเกิดขึ้นพอเวลาที่เราทำจิตไปเนี่ยถ้าเราใช้อุบายที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถที่จะทำจิตให้ก้าวหน้าไปเร็วที่สุดแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้อุบายไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะทำจิตนี้ให้เกิดความล่าช้าที่สุดและอาจจะเกิดพ่ายแพ้ด้วย เพราะว่ากลละสึกกลละอุบายเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้กันไม่ว่าการจะทำสมาธิหรือไม่ว่าการที่เราจะไปทำการค้าขายหรือเราจะไปทำธุรกิจต่างๆเนี่ยอุบายเป็นสิ่งสำคัญอุบายนั้นสามารถเอาตัวรอดได้เช่นอย่างว่าท่านนะบอกว่า แสดงในวินัยของพระว่าพระเนี่ยโกหกไม่ได้ถ้าโกหกก็เป็นอาบัติแต่มีวินัยข้อหนึ่งว่าถ้าผู้ร้ายมันมาเนี่ยถ้าเราไปบอกว่าไอคนนี้เป็นผู้ร้ายสมมติว่าผู้ร้ายชื่อแดงหรืงเนี่ยเออเราก็รู้จักหน้าตามันอยู่มันก็เดินผ่านเราไปตำรวจก็ตามมาพอตามมาแล้วมันก็ถามเราว่า ท่านท่านเห็นนะไอแดงไปนี่ไหมเราก็ ท, ท, ทั้งที่เห็นแต่เราก็พูดไม่ได้แต่เราก็โกหกตารวจไม่ได้ถ้าหากว่าเราพูดไอแดงมันกลับมาแล้ก็มาตีหัวเราเพราะว่าเราไปบอกตารวจจับมันแต่ถ้าหากว่าเราไม่บอกก็เราก็โกหกแล้วจะเอาตรงไหนจะเอาโกหกเป็นอาบัตรหรือว่าจะหาอุบายอย่างไรในที่สุด ท่านก็ให้อุบายออกมาว่าไม่เห็นไอแดงมาทางนี้เห็นไหมบอกว่าไม่เห็นเท่าไงาถึงไม่เห็นเราก็เดิอนออกมานี่สักเก้าหนึง่งมาถึงตรงนี้อาตมายืนอยู่ที่นี่ไม่เห็นแต่ว่าอาตมายืนอยู่ที่เก่าเห็นเนี่ย นี่คืออุบายถ้าหากว่าไม่แก้ไขอย่างนี้เราก็หัวแตกดีไม่ดีตายมันต้องมาเล่นงานเราแน่เมื่อตะกี้นี้มาตำรวจมาถึงหลักามเห็นในแดงไหมเราเอะโกหกมาได้ก็รีบเดินมานี่เลยอ่าจะมายืนอยู่นี่ไม่เห็นนะแต่ยืนอยู่ที่เก่าเห็นอันนี้โกหกไหม <c oughs> แค่ก้าวเดียวน ะ, ะนี่เพราะฉะนั้นวิธีการของการที่เราจะใช้อุบายในการที่เราจะไม่ให้การทำสมาธิของเราต้องพลาดพลั้งหรือการที่เราจะหาอุบายให้จิตของเรานี่เกิดความเชื่องขึ้นอุบายอันดับแรกได้แก่อะไรอุบายอันดับแรกนั้นได้แก่พุทโธ เพราะว่ายังไงเสียพุโทโธนั้นน่ะก็แปลว่าผู้บริสุทธิ์แต่ว่าเราถึงแม้จะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่ไม่เป็นไรแต่เราใช้คำว่าพุโทโธเมื่อเราใช้คำว่าพุโทโธอันก็เป็นอุบายที่จะให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปที่อื่นอันก็จะมาอยู่ที่พุโทโธเมื่อมาอยู่ที่พุโทโธได้แล้ว ก็ถือว่าอุบายขั้นที่หนึ่งเราสําเร็จแล้วแม่งา้นนะ่ะใจของเราก็นึกไอ้คนนน้นตีคนนี้คนนี้นขมโมยคนโน้นคนโน้นเอาของฉันไปอะไรอย่างนี้เป็นตน้นอ่าแต่ว่าพอนึกพุโทโธแล้วไอ้พวกนั้นก็หายไปนี่คืออุบายหนึ่งอุบายที่สองต่อมาเมื่อนึกพุโทโธสําเร็จแล้วเราก็ไม่เอาแล้วพุโทโธปล่อยทิ้งเราก็นั่งจิตเฉย เน่ก็หมายความว่าเมื่ออารมณ์ทั้งหมดหมดแล้วด้วยอุบายคือการบริกรรมพุโทโธประมาณดับสองต่อมาพุโทโธก็ไม่เอาแล้วเราก็มาอยู่ที่จิตจิตของเราก็ตั้งอยู่เฉยเมื่อจิตของเราตั้งอยู่เฉยได้พุโทโธเราก็ไม่เอานี่อุบายของเราเกิดความสําเร็จขึ้น จิตของเราได้สงบลงไปอย่างนี้ก็ <c oughs> เหมือนกันก็ว่าเด็กมันล่องแกล่องดีนักเอยยักมาแล้วว้อยอยงั้นยักไปยังไงเคี้ยวมันยาวคืบหนึง่งแต่มันจะถึงคืบื็ไม่คืบก็ไม่ว่าแต่เราหลอกเด็ก <c oughs> อ่าไอ้เด็กก็กลัวยักเนียบหลับไปเลยเราต้องการให้มันหลับแล้วยักมันก็ไม่ได้มาอย่างนี้เป็นต้น แล้วโกหกอย่างนั้นบาปไหมมีคนมาถามน้องพ่อหลายคนก็ไม่บาป <g ül> เหมือนกันก็ว่าเห็นไอ้แดงไหมไม่เห็นเพราะว่าทาั้งๆที่เห็นแต่เราบอกว่าไม่เห็นก็เพียงว่าเราย้ายจากที่เดิมมาเก้าเดียวสําเร็จแล้วก็อาบัติก็ไม่ส่องเป็น ไอ้แดงก็ไม่มาตีหัวได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้อุบายอันดับแรกเพราะว่าจิตของเราเนี่ยโดยมากเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์สารพัดถ้าเราไม่ใช้อุบายเนี่ยจิตจะสงบลงไม่ได้ทํายังไงก็ลงไม่ได้แต่พอเนื้อกุฏอแล้วเนี่มันลงได้นี่คืออุบายอันดับอะระดับหนึ่งและยังมีอุบายเยอะเทียว ในเรื่องของการทำจิตเนี่ยมันจะมีเข้ามาหาสมถะเข้ามาหาวิปัสนาเข้ามาญาณเข้ามาจุดพลังอำนาจ เ, เข้ามาสู่ฌานอะไรต่างๆนี่ซึ่งหลวงพ่อก็จะได้อธิบายต่อไปในวันข้างหน้าแต่ยังไงก็ตามนักศึกษารุ่นอินทร์นี่บินเร็วหน้าดูยังไม่ทันลาก็วาด ผังให้หลวงพ่อแล้วยังไม่ทันไรก็เดินหน้าแล้วขอขยับไว้หน่อยอยังไงเสียก็มามาอยู่ในขั้นแรกๆ ก, ก่อนเพราะว่าเนี่ยหมดเล่มนี้ยังไม่ถึงสมาธิเลยยังอยู่ในอาการกิริยาเพราะเล่มสองอะ่ะมันถึงจะมาถึงสมาธิวัดตอนนี้ก็เราก็จะต้องพูดสิงแวดล้อมให้มันหมดก่อนเอ่คือว่าใช้ อหลวงพ่อก็คิดอย่างนี้ว่าอทุกๆคนที่มาเรียนอยู่ที่เนี้ยก็มีความประสงค์ต้องการอยากได้ความรู้อยากได้ความเข้าใจในเรื่องของสมาธิให้ละเอียดลงไปจริงๆต้องการเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จําเป็นต้องพูดกันให้ละเอียดยิบไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอเอาท่านี้เลยนะวันนี้ ตั้งแต่ถามต่อไปนี่หมดไปเท่าไหร่กี่คนแล้วเดี๋ยวมครบับรุ่นนอ้นซีนี่มันรุ่นใหญ่เพราะฉะนั้นเต้องต่อเรือใหม่ <c oughs> ไม่งั้นรับไม่รอดรับไม่หมดเลยตอนนั้นมัน เ, เรือมันแค่ห้าพันตัน <c oughs> เลยมาต้องต่อใหม่เป็นหมื่นตัน เพราะว่าการลงเรือเนี่ยถ้าหากว่าลงเรือไปลําเดียวกันแล้วเนี่ยเวลาจะไปขึ้นบกนี่เราต้องขึ้นพร้อมกันไอ้ <c oughs> คนที่เวลาลงเรือไปนี่บางคนก็นอนบางคนก็นั่งบางคนก็เดินบางคนก็หลับบางคนก็ตื่นอะไรอย่างเนี้ยแต่ทุกๆคนนะ่ะ จะยังไงก็ตามก็ต้องถึงฝั่งด้วยกันทุกคน <c oughs> ยกเว้นแต่ว่าจะกระโดดลงจากลำเรือไปซะก็ช่วยไม่ได้ปลาฉลามกิน <c oughs> <c oughs> วันนี้ก่อนจะมาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสิบห้านาทีไม่รู้อะไรไม่รู้เข้ามาสู่ใจของหลวงพ่อ มันเหมือน ก, นกันกับอะไรไม่รู้ทมึนทมึนพอเข้ามาถึงใจแล้วเนี่ยโอ้โหมันเศร้าใจไม่รู้เศร้าเอ๊ะมันเศร้าอีแบบไหนก็ไปนั่งนึกอยู่คนเดียวนึกไปนึกมานึกไฟนึกม า, กกมาเอ๊ะวันนี้อาจจะไม่ลงสอนวิธีที่จะแก้ตัวจะทำไงดีก็เราก็โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลไทยนคริน บอกวัวป่วย <c oughs> อ่มมันแฝบจริงๆนะพอเวลานั้นเสร็จแล้วก็จับปากกามาถึงก็เขียนเขียนไปเขียนไปเนี่ยมันค่อยๆหายไปยังไงไม่รู้ไอ้ใจที่มันไปอยู่ในตัวหนังสือเนี่ย <c oughs> เขียนไปเขียนไปก็หายออกหายออกหายอกายอกไ อ, อ้ความที่ปรากฏตัวมันไอ้ความเศร้าชนิดเนี่ย หายเหมือนปลิดทิ้งแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ทำไมชสิทธิ์ไม่บอกหรอกแล้วก็เก็บไว้เป็นความลับแต่หลวงพ่อเก็บความลับไม่ค่อยเก่งมีอะไรก็บอกหมดแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เหมือนไอ้แแล้วก็มันก็พอนึกพอมัอนกเกิดเศร้าอย่างนี้เรมกันึกไปถึงว่าเอะเรานี่ไม่เช้าคงจะต้องไปนอนอยู่ที่โรงอะ่ะ <c oughs> ไม่หายใจถึงเวลานั้นก็คงไม่มีอะไรที่สุดถึงที่สุดของชีวิตมันก็คงจะต้องไปลงอยู่ตรงนั้นก็นึกถึงความตายขึ้นมาแต่เวลานี้ไม่นึกแล้วหายแล้ว <c oughs> ต่อไปก็คงเป็นการถามตอบตั้งแต่เบอร์อะไรคุณมารีจินปรีดาคุณขอเชิญ กามนมัสการพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ชื่อมารีจินปิดากุลนะคะจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิค่ะอยากทราบว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยจิตใจเราต้องสงบนิ่งตลอดเลยใช่ไหมค ะ, ะการทาสมาธินั่นนะ่ะความจริงแล้วจิตไม่ได้นิ่งไปตลอดหรอก <c oughs> บางทีกว่าจะนิ่งก็เข้าไปครึ่งรายการก็ได้แต่ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า คำที่ว่าจิตนิ่งหรือว่าเกิดความสบายนั่นนะ่ะมันเป็นเรื่องของฌานสมาธินี่ตั้งแต่เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นสมาธิแม้ว่าอาจจะต้องนึกไปนู่นบ้างมานี่บ้างแต่เราก็ยังจับจิตนี้กลับคืนมาตั้งที่เดิมได้ถือว่าจิตเป็นสมาธิทีนี้ถ้าหากว่า มันเป็นสมาธิอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเราก็นิ่งสบายไปเลยอย่างนั้นอันนั้นค่เรียกกวีาชางไม่ใช่สมาธิต่อไปว่าคุณหลวงพ่อค่ะต่อไปขอเชิญคุณมารีสกุลศึกษาในมรสการหลวงพ่อค่ะชื่อมารีวันสกุลศึกษาดีค่ะอ๋อมารีวันเติมได้ตัวหนึ่งนรมารีวันอ <c oughs> คือว่าไม่เคยมีความรู้เรื่อง การทำธรรมสมาธิมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ทราบจากเพื่อนที่ทางานด้วยกันเขาแนะนำว่าการทาสมาธินี่จะได้ตรงกับผู้ร่วงรับมากกว่าการใส่บาตรหรือว่าทำสังฆทานก็เลยไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือไม่จริงแล้วจะทราบได้อย่างไรนะะเธอการทาสมาธินี่ กับการทำสังฆทานอะไรอะไรต่างๆเนี่ยรวมแล้วเขาเรีย ก, กว่าบุญเหมือนกันทำสังฆทานนะเขาเรีย ก, กว่าทานนามายัยบุญสําเร็จโดยการให้ทานแต่เมื่อมาทําสมาธิเนี่ยเขาเรีย ก, กว่าภาวนาไมา่บุญสําเร็จโดยการภาวนาขึ้นชื่อว่าบุญเนี่ยก็จะมีลักษณะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กกว่ากันมีลักษณะ เ, เท่าเท่ากัน แ้วอาจจะว่านั่งสมาธิแล้วก็ได้บุญมากกว่าก็หมายความว่าอยากจะเชิญชวนคนมานั่งสมาธิก็เท่านั้นแหละแต่ถือว่าถ้าหากว่าทําบุญเนี่ยให้ทานทานอะไรก็ได้ถือว่าเป็นบุญก็บุญเป็นลักษณะหนึ่งภาวนาก็เหมือนเอามานั่งสมาธิก็เหมือนกันเมื่อมานั่งสมาธิก็กลายเป็นบุญก็คือบุญตัวเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คงตอบได้เท่านี้ แล้วถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนี่คิดว่าจะทำได้หรือเปล่าอ่าไม่ต้องมีพื้นฐานเพียงเรามีสติสัมปชัญญะบริกรรมพุทโธได้ถือว่าทําสมาธิได้นับแต่วินาทีของการบริกรรมพุทโธชื่อว่าได้สมาธิขึ้นมาแล้วเวลาเวลาทําไม่รู้สึกว่าจิตฟุ้งซ่านมากเลยค่ะอ่าจิตฟุ้งซ่านก็ดึงมันกลับเข้ามา อันดับแรกก็คงเป็นอย่างนั้ น, ออ น, า น, านเพราะนานๆไปพอพลังจิตของเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไอ้ความผู้สร้างอันนี้มันจะหดตัวลงไปเรื่อยๆขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณยุทธนาชมแก้วกราบน้มันฆาคารพระอาจารย์ครับพผมมีข้อข้องใจอยากจะถามพระอาจารย์นะครับคือเกี่ยวกับการภาวะที่จิตนิ่งเราจะทํายังไงเพื่อให้ภาวะจิตนิ่งอยู่กับเราได้นานที่สุดครับเอี่ยที่จิตที่นิ่งนั้นน่ะ เราต้องเข้าใจว่าในขณะที่นิ่งนั้นผลมาจากพลังจิตคือการทำสมาธิมาตั้งแต่ต้นๆทีนี้พลังจิตนี่มีเท่าไหร่เนี่ยความนิ่งมันจะตามพลังจิตถ้าพลังจิตมากความนิ่งก็มากเพราะฉะนั้นการที่ทำจิตของเราให้เป็นสมาธิไปเรื่อยๆสะสมพลังจิตไปเรื่อยๆ เมื่อพลังกิดมากความนื่งก็อยู่ได้นานขอถามพระอาจารย์อีกข้อครับคืออยากจะทราบว่าก่อนที่เ อ, อเราจะเข้าสู่สมาธิชั้นหนึ่งชั้นใดในการที่จะทรงฌานได้นานเนี่ยเราจะต้องปรับลมหายใจหรือเปล่าครับเอ่าไม่ต้องปรับถ้ายังปรับลมหายใจอยู่ก็เลวกว่าเป็นสมาธิอครับขอบคุณพระอาจารย์ครับต่อไปขอเชิญเออยุทธนาบุญกังวานคงไม่มายุ พาปัญญาสกุลวงก็ไม่มาถือว่าไม่ได้เต็นน ะ, อะขอเชิญคุณยุพินเกตเกตุมาให้ยุพินเกตให้เกตุสี่ เ, เมนก็ยังเรียกกุณเมรุเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มาไม่เกตุมากราบนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้สิทธิ์ยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เออเกูุมาอ <g> า <rab> <g rab> ต่อไปขอเชิญคุณยุพินผลผ ล, ละผลลสินกราบนะัศกรพระอาจารย์คะ่ะเออตั้งแต่สิทธิ์ได้มาปฏิบัติที่นี่ก็หลายวันแล้วคะ่ะตั้งแต่ปฏิบัติมานี่แต่ละวันไม่เหมือนกันข้าอยากถามพระอาจารย์ว่า บางวันก็เหมือนกับตัวเราหายไปเหรือแต่ท้องมันพองขึ้นพองลงเหมือนเหมือนกับลูกโป่งอะค่ะแล้วก็บางวันก็จะเห็นตัวเองลอยขึ้นไปแล้วก็บางวันก็จะเห็นเหมือนเห็นพระอะค่ะไม่ทราบว่ามันเป็นที่สมาธิหรือว่าเป็นที่เราอุปท า, านไปค่ะเอ่อที่เป็นอย่างนั้นเน่ยเกิดขึ้นจากสมาธิแล้วก็จิตได้เข้ารวังไปแล้ว เมื่อจิเข้าพวังก็สู่อาทิตยสมานกายเมื่อสู่อธิตยมานกายแล้วมจะฉายภาพที่มีอยู่ในใจนี้ออกมาให้ปรากฏเห็นอะไรต่างๆนั้นอนะ่ะก็คือภาพนิมิตนึงที่เกิดขึ้นจากที่ใจของเราได้เคยเก็บเอาไว้อันนี้ไม่เสียหายและปรากฏตัวเบาหรือปรากฏอะไรอย่างนี้คือจิตที่เอได้เข้าสู่ฌานแล้วอย่างนี้ถือว่า ดีพยายามเจริญไปให้มากกราบนมัส ก, การค่ ะ, ะตะกี้ขละินทินิยุพินาสวัณโนกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกสิทธิ์มีคำถามอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่สิทธิ์ก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะคะสิทธิ์ได้อธิษฐานจิตให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอ ง, องแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ ได้มีเออสิทธิ์ได้ได้ได้ประคำมาจากจากหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคะแล้วสิทธิ์ก็ได้ได้อธิษฐานจิตแล้วก็ในระหว่างอธิษฐานจิตนะคะมีมีแสงแวบขึ้นมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งไม่ทราบว่าอันนั้นคือคือพลังจิตหรือเปล่าคะที่เกิดแสงขึ้นมาจากรูปประคำก็คงเป็นพลังจิตที่เขาเสกไว้ในรูปประคำนั้น กรณีหนึ่งและอีกกรณีหนึ่งก็ถ้าไม่เป็นไอเรื่องปฏิกิริยาของวัตถกุก็คงจะเป็นพลังของจิต ท, ที่เขาได้เสกเอาไว้ <c oughs> เพราะว่ามันมีวัตถุบางอย่างเนี่ยถ้ามันมีการกระทบกันจะเกิดปฏิกิริยาอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งมาต่อไปสองอย่างคือไม่คือไม่ได้ไม่ได้ออกมาจากจากประคำแล้วค่ะ คือมันออกมาอยู่อยู่ในอยู่ในจิตของเราคือตอนที่ตอนที่อธิษฐานจิตนี้ตอนนั้นหลับตาอยู่อ๋อถ้าหากว่ายังไม่เรียกว่ากิริยาของจิตกิริยาของจิตเราไม่ได้มาจากรูปประคอขอพ่ะคุณพ่อจอนต่อต่อไปขอเชิญคุณยาวรักษ์วิสิตสุนทรกราบนมันการพระอาจารย์ค่ะขอเขากราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตานะคะว่าบท แผ่เมตตาพิเศษเนี่ยนะคะที่เวลาเรานั่งสมาธิเราต้องแผ่เมตตาพิเศษแต่นี้อันนี้เนี่ยใช้กรณีใดบ้างคะอะที่แผ่เมตตาอยู่ในเวลานี้ที่หลวงพ่อพาทำนี่นะเราจะนำไปใช้ที่อื่นก็ได้ในเวลาอันควรที่จะใช้เช่นเมื่อเวลาที่เราต้องการอยากจะให้ส่วนกุศลแก่ใคร เราสวดอันนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วกับที่แผนเมตตาปกติกับพิเศษเนี่ยคะ่ะต่างกันยังไงค ะ, ะปกติหมายความถึงว่าเวลาที่เราทำสังฆทาน <c oughs> หรือเวลาเราทำสมาธิแล้วเราแผ่ส่วนกุศลนี้เรียกว่าปกตินอกเหนือจากนี้เราอาจจะใช้เวลาใดเวลาหนึ่ง นอกเหนือจากการทำบุญสังฆทาน น, น, นั่งสมาธิแต่เราคิดได้เราก็แผ่ส่วนกุศลอ น, นันตโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าบุญกุศลเราเคยทำมาแล้วเราก็แผ่ส่วนอันนี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับอันนี้ถือว่าพิเศษอขอบพระคุณค่ ะ, ะต่อไปขอเชิญคุณ ร่มใช้เป็นเจกจินดาธรรมสถารพระอาจารย์ที่เคารพสูงกับผมได้นั่งสมาธินี้ก็อิมวานาสมบูรณแล้วทีนี้ผมมีข้อสงสัยว่าตั้งแต่กับผมเคยนั่งมานั่งสมาธิมาพอ ม, มาอยู่กับหลวงพระอาจารย์นี้นั่งสมาธิเทไรกขึ้นหน้าผากทุกครั้งครับ เรียนถามแค่นี้ครัอะไรสมาธิแล้วขึ้นหน้าผาก อ, อ่าคือฟังไม่ถนัดนะอ่าตก่อนแต่ก่อนอยู่ที่ไหนละ่ะก่อนเคยทํามานะะทํามาตั้งหลายครั้งแล้วนะนี่มาอยู่กับอาจารย์ผูาชญานีแ้แล้วแล้วได้ขึ้นหน้าผากให้ขึ้นเองแล้วเรานึกเอาขึ้นเองครับผมอ่าก็แสดงว่าที่นั่นจะเป็นที่ที่สามารถจะทําให้เกิดพลังกิตได้ เราก็ยึดที่นั่นต่อไปข อ, ขอบคุณราจารและต่อไปมีอะไรอีกมันมีก็ผมอ่ามีที่นี้ <c oughs> ขึ้นหน้าผากน่าจมีแปลกอเนี่ยเพราะว่าคุณเองเนี่ยแสดงว่ามันมีพลังชนิดหนึ่งที่อยู่ที่ตรงหน้าภากนี่ก็คงจะเหมาะกับคุณอะไรร่วมใช้แน่นอน ก็ต่อไปก็ขอเชิญคุณระวิวรรณหัตถการบัญชาค่ะมาแสักการผูอานอาจารย์ค่ะเออสิขอเรียนถามนะคะเรื่องเวลาเดินจงกรมอะค่ะบอกว่าให้ทำสมาธิไว้ที่หน้าผากมีความรู้สึกว่ามันหนักมากเหมือนมีอะไรมาวนอยู่ตรงหน้าผากตลอดเวลาจะแก้ไขยังไงฮะแล้วเกิดจากเพราะอะไรฮะ มันจะมีตัวรู้อยู่คนหนึ่งว่าใครเป็นผู้รู้ว่ามันวนอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ย้อนจิตของเราไปอยู่ที่ผู้รู้นั้นพอเวลาหลับตาแล้วเนี่ยคงไม่มีหน้าผากเพรา ะ, <c oughs> ะมันก็นะออเดินยองกลมเหอือนึกว่านั่งสมาธิเวลาเดินยองกลมก็เราก็นึกความรู้ว่าอะไรผู้รู้น่ะจะมีอยู่ เวลามัจะวนหรือจะอะไรนี่จะมีผู้รู้อยู่เราให้ย่อจิตเราไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าการที่มันวนๆเนี่ยมันเป็นกิริยาจิตอันหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราไปอยู่ที่ผู้รู้แล้วกิริยาอันนี้มันก็จะหดหายไปอยู่ที่จิตแต่แท้ที่จริงก็อยู่ที่เดียวนั่นแหละ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามการเดินจึงกรมนั้นอ่ะโดยจุดประสงค์ต้องการให้เป็นสมาธิตื่นอย่างไม่รึ อต่อไปก็ขอเชิญคุณขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะเวลานั่งสมาธิอนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสักระยะหนึ่งจะคล้ายกับว่าเ อ, อตรงกลางกระหม่อมค่ะมันหมุนเร็วมากแล้วก็เย็นวาบด้วย<ะ>แล้วในขณะที่มันหมุนเร็วตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าศรีรษะเราอยากจะโครงตามไปด้วย อันนี้เกิดจากอะไรคะคงจะในลักษณะเดียวกันเดินย่างกรมเมกียร์อันนั้นเรียนที่นาผักในจันทตอนนั่งกรรมเวียนที่กระห ม, ม่อมก็แสดงถึงว่าเป็นกิริยาอันหนึ่งของจิตไม่มีอะไรไม่มีพลังอื่นแล้วก็ไม่มีอพูดกันใว่าพีสารเทวดานะคือไม่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากว่าไอ้ที่มันวนอยู่นั่นแหะคือกิริยาจิตของเรานั่นเอง พอเวลาที่เราไปอยู่ที่ผู้รู้แล้วกิริยาเหล่านี้จะค่อยๆหดตัวเข้าไปแต่เราต้องคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะยึดถือเอาอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ว่าเป็นกิริยาจิตชนิดหนึ่งทำเมือเราไปอยู่ที่ผู้รู้แล้วกิริยาจิตเหล่านี้จะหายไปเองกราขอบพระคุณค่ะอ่า ก็ต้องเอาอีกคนหนึงสุดท้ายจะได้เป็นสิบคุณรัตติกล่าวศิละปะคำพีรภาพการาบนมักการพระอาจารย์ค่ ะ, อ, ะอยากให้พระอาจารย์แนะนำเวลานั่งสมาธิที่บ้านนะคะควรจะนั่งกี่ครั้งแล้วครั้งละนานเท่าไหร่คะเพื่อจะได้เพิ่มพลังจิตอะค่ะอ่าก็ครั้งละสามสิบนาทีนี่เราถือว่ามากพอสมควร แต่ถ้าจะมากกว่านั้นก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งชั่วโมงวันหนึ่งก็น่าจะมีสักสองครั้งอะไรอย่างเนี้ยเท่า น, นี้ก็คิดว่าสามารถจะเพิ่มพลังกินได้เยอะช่วงเวลาไหนก็ได้ใช่ป่มคะอ่าช่วงเวลาที่พอเหมาะแก่ตัวของเราเองว่าเวลาไหนเหมาะเวลาที่เขาผููผ่านนักก็อย่าไปนั่งนั่ ง, งเวลาที่เขาสงบแล้วก็จะดี อ่าขอบพระคุณค่ะ